เ, เมื่อวันที่13สิงหาคมพศ2510ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนภายในกับภายนอก มีความติดต่อกันได้ทั้งทางดีและทางชั่วมีความสนิทสนมกลมคืนกันได้หาภายในมีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่มากน้อย สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภายในก็ออยอมเป็นสิ่งที่ปรอมแปลงแฝงมาเช่นเดียวกันถ้าภายในมีสิ่งที่ดีแฝงขึ้นมากน้อยส่วนภายนอกก็กลายเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่ดีแฝงเข้ามา เป็นคู่เคียมของกันและกันเรียกว่าเป็น ม, มิตรเป็นสหายกันก็ไล้วเช่นรูปเสียงกลิ่นนดเครื่องสัมผัสสำหรับบุคคลที่มีกิเลสธรรมดาเหมือนอย่างเราเราท่านทัายอมจะมีความรักความจังในสิ่งที่กล่าวนี้ อยู่เสมอสิ่งที่น่ารักก็ย่อมมีความรักไม่จืดใาอารมณ์ที่ปรุงขึ้นให้เกิดความรักก็ปรุงไม่อยุดยัง้งภาพที่ปรากฏขึ้นเป็นอารมณ์ของใจซึ่งมาจากการได้เห็นได้ยินจากภายนอกก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะอาศัยจิตเป็นผู้ปรุง ขึ้นหลอกตนเองเสมอวามหลงในภาพที่ปรากฏซึ่งเนื่องมาจากสิ่งอย่างนั้นเข้ามาสัมผัสจึงปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตเมื่อมีเครื่องหลอกหลอนอยู่ภายในตนจะแสดงออก โดยอาการใดก็ตามยอมจะเกี่ยวข้องกับกิจเป็นเครื่องหลอกลวงเสมอไปหากิจมีสติมีปัญญามีสมาธิเครื่องยับยั้งตนเองพอสมควร สิ่ภายนอกก็ไม่ค่อยจะล่วงล้ำเข้ามาได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับโจรมาลที่เข้าไปหาหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านใดก็ต่างถ้าเจ้าของบ้านมีความประมาทพวกโจรมาลก็เข้าได้งา่ายถ้าเจ้าของบ้านมีความระมัดระวัง โจนทั้งหลายก็ไม่กล้าจะล่วงล้ำเข้าไปได้อย่างง่ายได้ต้องคอยระมัด ร, ระวังเช่นเดียวกันถ้าเจ้าของบ้านเป็นผู้เข้มแข็งมีควา ม, มาระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาโจนก็หาโอกาสที่จะเข้าแย่งชิงทรัพย์สมบัติลุกลุ้นสดุมไปได้ยากฝืนเข้าไปก็ย่อมเสี่ยงทายต่ออันตราย มีเรื่องที่ทางด้านธรรมะถือว่าเป็นค่าสุดใจของเราที่มีความเชื่อต่อหลักธรรมะและถือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นค่าสิตามหลักความจริงก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันขณะนั้นผู้มีสติผู้เชื่อตามหลักธรรมะของพระโพธิเกศา จ่อเชื่อตามว่าสิ่งนั้นเป็นภัยจริงและในขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตแต่มีควา ม, มา ร, ระมัดระวังต่อภัยนั้นอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นภัยก็ย่อมไม่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายพลิกกับผู้ที่นอนใจ ไปเสียทีเดียวทั้งไม่รู้จักวิธีแลรรักษาตนและยังไม่เชื่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่แน่นอนภายในใจนีเรียกว่าเปิดประตูนับกับข้าศึกตลอดเวลาถ้าเป็นชาวบ้านก็คือนอนหลับอย่างนิ้นไม่มีความรู้สึกตัวหรือตื่นตัวแม้แต่ขณะหนึ่ง โจต้องการ ส, สมบัติใดๆซึ่งมีอยู่ภายในบ้านนั้นพ อ, อย่อมถือเอาได้ตามต้องการโดยไม่ต้องระมัดระวังต่อเจ้าของทรัพย์แก่อย่างใดมีผู้ประมาทก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันหยุดเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสตับตาหูจมูมกกิ้นกาย เป็นทางประสานกันตลอดเวลาใจเป็นผู้เปิดประตูคือตาหูจ ม, มูกทิ้งกายรับรู้เสียงจมูกเครื่องสัมผัสโดยไม่มีอั้นผลที่ปรากฏก็คือความหมดเนื่อหมดตัวมีแต่ความรุมรอนทั้งวันทั้งคืนธรรมสมบัติที่จะปรากฏให้เป็นความเย็นใจภายในบุคคลผู้ประมาทเชนนั้นย่อมไม่ปรากฏ ข้อนี้เราทุกงกท่านจึงเป็นนักปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยจิงวนสำนึกจให้มากปฏิบัติกิจงานการใดโปรดให้มีสมาธิคือความหวังสำเร็จต่องานชิ้นนั้นๆอย่าให้ผ่าน มือไปได้และให้ตั้งกอสังเกตในงานทั้งตนที่กำลังทำ่าคิดถูกมากน้อยแค่ไหนผลเป็นอย่างไรบ้างต้องทำความสังเกตเสมอ ง, งานที่ทำไปนั้นจะไม่เสียผลและคุ้มค่าแห่งการกระทำของตนหากสักแต่ว่าทำไม่สังเกตผลที่ปรากฏ ทำไปแบบกุิ่มเดาผลที่จะบึงได้ก็ไม่ปุ่มข้ากันดีไม่ดีก็เป็นอัตตะอิรมฐถานิโยทําตนให้ลำบากกระเ่ า, เ, าเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททรงแสดงไว้ด้วยความมีเหตุผลไม่มีส่วนใดที่จะบกพร่องทางปากเหตุผล ผู้ปฏิบัติธรรมะจึงควรเลงถึงเหตุผลจึงจะได้ผลเท่าที่ควรแก่การกระทำของตนมากนอยยกตัวอย่างเช่นการอดนอนห่อนอาหารหรืออดอาหารไปเป็นมันมันขอน้อนี้ตัวผมเองก็เคยได้ บำเพ็นมาบ้างพอสมควรจึงแนะนำการกระทำและผลที่ปรากฏมาเล่าให้หเพื่อนฟังตามโอกาสอันควรแต่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งไม่ถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่เป็นขแขนงของผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวิในัยของพระพุทธเจ้าจะมีอุบาย วิธีฝึกผลอบรมตนเองตามแต่สติปัญญาจะเห็นอุบายในว่าเป็นอุบายวิธีที่สมควรจัดการฝึกฝนต น, ตนเองแล้วได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาฉะนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นคําสั่งว่าให้ท่านผูนั้นทําอย่างนั้นอย่างนี้และไม่จัดว่าเป็นคําสอนว่าสอนให้ให้ทําอย่างนั้น ถ้าจะหมายเป็นคำสอนก็ต้องนำไปพิจารณาให้เหมาะกับจดิตของตนเพราะธรรมะเป็นของกลางท่านผู้ใดนำไปปฏิบัติก็ต้องถือเป็นคำสอนของท่านผู้นั้นคือนำไปสอนตนเองเช่นเราอดอาหารอดอาหารในวันหนึ่งเราบำ เป็นเพียงปรากฏผลอย่างไรบ้างอดไปในวันที่สองการกระทําสมาธิภาวนาของเราเป็นอย่างไรบ้างและธาตุขันธ์ของเราเมื่อได้ถูกหยุดชะงักในการฉันอาหารธาตุขันธ์มีความหิวโหวยธรรมดาหรือว่ามีโรค อย่างใดอย่างหนึ่งแทรกขึ้นภายในกายของเราหรือไม่ถ้าโรคในโรคหนึ่งก็ไม่แทรกภายในกายเป็นแต่เพียงความหิวหรือเพียรธรรมดาแต่ทางหน้านจิตใจรู้สึกมีความผ่องใสการปฏิบัติต่อจิตใจก็รู้สึกว่าง่ายการพิจารณาเหตุผลต่างๆ ซึ่งเป็นไปทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วการกำหนดจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิก็รู้สึกว่าได้อย่างใจหมายหรือง่ายกว่าเวลาปกติธรรมดาที่เราฉันจังหัดอยู่อดไปวันที่สวันที่4ที่ห้าจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เราจะฉันผลที่แสดงขึ้นในธาตุันของเราเป็น ปกติธรรมนาของภากฐานที่ไม่มีโรคหรือว่ามีโรคแทรกขึ้นมาในระยะที่เราอดอาหารนั้นและจิตใจของเราปรากฏมีความคล่องแคล่วสะดวกในการบำเพ็ญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาขึ้นไปเป็นลำดับหรือเป็นอย่างไรบ้างนี่นักปฏิบัติที่บำเพ็ญควรจะสังเกตด้วยดี แต่เรื่องความอดทนนั้นออออนุโมทนากับบรรณาท่านที่สนใจในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งหน้าตังางๆาคุ้ผลอบ ร, รมแง่จะได้รับความลำบากบ้างกออ็อดทนมีเข้าในลักษณะที่ว่าคันติพระเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคันติแต่ในขณะเดียวกันก็กรุณาให้ทรงไว้ถึงสติซึ่งปัญญาด้วยสังเกตในธาตุขันธ์ของตน สังเกรตในจิตใจและการบำเพ็ญขังตนในระยะที่เราอดอาหารหากว่าผลปรากฏเป็นที่ดีขึ้นทางด้านจิตใจถ้าขันแม้จะมีความหมยก็ไม่ปรากฏว่ามีโรคภัยอะไรเข้าแทรกสิงอันนี้จัดว่าถูกกับจริตมีสายของท่านผู้นั้นวิธีทาทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นคำสอนเราโดยถูกต้องจริตของเราก็ถูกต้องกับคาสอนประเภทนี้ และบบำเพ็ญไปผลประโยชน์ที่จะพึงได้จะปรากฏขึ้นเป็นลำดับไม่เป็นการผิดจากหลักแห่งสวภาคตธรรมของพระพุเทธเจ้าข้อสำคัญคือให้สังเกตการบำเผ็นของตนผู้อดนอนก็เช่นเดียวกันตรดสังเกตการหลับนอนของตนคือนอนมากเป็นอย่างไร นอนน้อยเป็นยังไงอดนอนเป็นอย่างไรบ้างให้สังเกตผลในทางความเพียรผู้เดินมากคือเดินจงกรมความเคลื่อนไหวของกิตในขณะที่เดินจงกรมมีความคล่องแคล่วและปรากฏแยบคายอย่างไรบ้าง ผู้นั่งสมาธิเป็นเวลานานๆจิตใจหนักไปในทางไหนหนักไปในทางความสงบหรือหนักไปทางด้านปัญญาสรุปความแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างในนิสัยของเราที่ชอบนั่งมากเหล่านี้ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับความสังเกตสอดรู้ของตัวเองในประโยคแห่งความเพียรที่ที่ตนทำไปตามอิริยบทนั้น หรือวิธีการนั้นๆมีผู้ปฏิบัติต้องมีความสังเกตเช่นนี้เสมอไปถ้าเราปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อความฉลาดแก้สิ่งที่โงูกเขาอยู่ภายในจิตใจของเราออกได้โดยหลักธรรมซึ่งเรานำปฏิบัติโดยถูกต้องการปฏิบัติตนโดยถูกต้อง นอกจากเราจะปฏิบัติดำเนินตามข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้วเรายังมีอุบายวิธีต่างๆซึ่งเป็นเทคนิคอันหนึ่งของผู้ปฏิบัติตามแต่จะเป็นไปตามในจริตใดจะต้องนำไปคิดไปพิพิจารณาตามประโยคแห่งความเปลี่ยนของตนที่ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงที้สอนที่ทรงชี้บอกไว้ นี่จะไม่ค่อยผิดพลาดและจะเห็นผลแห่งการปฏิบัติของตนมากน้อยหรือผิดถูกไปโดยลำดับหากสักแต่ว่าทาไม่ว่าจะเป็นประโยคใดๆแห่งความเพียรหรือประโยคใดแห่งอิยาบทดหรือวิธีการแห่งความเพียรใดซึ่งขาดความสังเกตตัวเองแล้วจะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหรนะ่นักความสังเกตเป็นเรื่องของปัญญา รงกับหลักธรรมที่สอนเราให้เป็นผู้ชนะเราอย่างโง่ต่อวิธีการของเราที่ทำลงไปเราอย่างโง่ต่อกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจแล ะ, ะแสดงออกมาเป็นเครื่องหลอกลวงเรานอกจากนั้นก็ฉุดลากเราไปหาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแต่กลายเป็นค่าสึกต่อตอนเอง เช่นรูปเสียงสีนสดเครื่องสัมผัสสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อแก้ที่เหลือสัรหาอาสวะภายในจิตใจของตนถือว่าเป็นคาาศึกอย่างดงเช่นเดียวกับเรามีแผลในฝ่าเท้าสิ่งที่มาสัมผัส ฝ่าท้าของเราจะเป็นค่าสึกสาหรับแผลในฝ่าเท้าแต่จะไม่เป็นค่าสึกสําหรับท่านผู้ไม่มีแผลในฝ่าเท้ามีรูปเสียงสลิ่นรถเครื่องสัมผัสก็ย่อมเป็นค่าสึกสําหรับจิตใจที่มีแผลเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นค่าสึกสําหรับท่านผู้ไม่มีอะไรภายในจิตใจ เช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีแผลในฝ่าเท้ายอมเหยียบย่างไปได้ตามธรรมนาเราเวลานี้ตกอยู่ในภาวะเช่นไรในลักษณะที่กล่าวมาผ่านมาเมื่อตะวันคำว่าแผลก็มีหลายประเภท แผลที่ทั้งกว้างทั้งลึกก็มีแผลที่ไม่กว้างและไม่ลึกก็มีมีแผลจนจะหายแล้วก็มีสรุปความในเรื่องแผลทั้งสามประเภทนี้ย่อมมีการรักษาสิ่งที่จะมาเป็นภัยเช่นเดียวกันตามแต่ ใัยประเภทใดจะสมควรเป็นค่าสิทธิต่อบาดแขลประเภทใดถ้าเป็นบาดแขลประเภทกว้างลึกทั้งกว้างทั้งลึกก็แสดงว่ามีภัยรอบด้านผู้นั้นจะต้องตั้งความระมัดระวังระหว่างแขลของตนกับสิ่งที่จะเป็นค่าสิทธิที่สิ่งที่จะมากระทบให้มากที่สุด ผู้ทีมีแผลไม่กว้างและไม่ลึกเท่าไหร่นั้นก็ระวังเช่นเดียวกันแต่มีลดหยอ่อนกว่ากันตามแต่แผลของตนจะเห็นว่าเป็นค่าสึกกับสิ่งใด ูที่มีแผลอันละเอียดก็อย่อมรักษาสิ่งที่มาจะมากัะกเถือนส่วนละเอียดผู้ที่ไม่มีแผลอะไรเลยเรื่องความระมัดระวังก็เป็นอันผ่านพ้นกันไปเพราะเหตุต้นเหตุหรือปัญหาภายในในสิ้นสุดลงไปแล้วสิ่งภายนอก ซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันกับภายในนี้ยิงไม่มีทางที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันบ้ากเช่นเดียวกับเตาไฟไม่มีไฟแม้จะใส่ื้นเข้าไปก็ไม่คลายเป็นไฟขึ้นมาได้สิ่งที่เคยสัมผัสและเคยเป็นค่าสิทต่อเรามาเป็นเวลานานแต่ตนเป็นผู้มีความสามารถ กำจัดดัดแปลงสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกได้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื้ออยู่ภายในพอที่จะเป็นสาเหตุหรือเป็นสื่อของสิ่งที่เป็นภาพสิทภายนอกเข้ามาก่อขวนและทํางานภายในให้เสียไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นภยัยภายนอกก็ไม่เป็นภยัยภายในใจของตนก็ไม่ก่อภัยขึ้นมา เพราะไม่มีปัจจัยที่จะก่อเหตุขึ้นมีเรียกว่าเป็นปกติของจิตที่บริสุทธ์ต้ น, นไม่มีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่แม้แต่ น, อน้อยสิ่งภายนอกจะมีอะไรเป็นอะไรมาก็ไม่เป็นปัญหาต่างอันก็ต่างจริงอยู่ตามสภาพของตนรูปก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแตว่ว่ารสสักแต่ว่าเครื่องสัมผัส ซักแต่ว่าอารมณ์ที่เกิดกับใจที่เรียกว่าขันประเภทเหนึ่งเท่านั้นไม่มีเชื้อไฟคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอยู่ภายในที่จะเป็นเครื่องผลักดันให้ขันอันนั้นกำเริบไปในเหตุต่างๆขันก็เลยกลายเป็นขันล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่าง ก็รายเป็นความจริงตามธรรมชาติของตนไปด้วยความรู้สึกของใจที่มีที่ที่รู้ที่เห็นความจริงต่อตนเองโดยสมบูรณ์นิยนธรรมะของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมะ ของพระองค์ท่านเพื่อจะรู้เรื่องความเป็นไปของดับเพราะตามปกติธรรมดาความเป็นไปของเราของท่านจะมีมากน้อยมีมาแต่เมื่อไหร่ดีแค่ไหนชั่วแค่ไหนและจะเป็นไปอีกมากน้อย และดีชั่วแค่ไหนเพียงไนเราไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะรู้เรื่องของเราทั้งทั ง, ท, งที่เราเป็นผู้ผ่านมาที่เองอย่างยกๆยกนอกจากจะอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าไปจับเข้าไปทดสอบเรื่องความเป็นไปของเราของท่านจึงจะเห็นร่องรอยเป็นลำบากลำบา เนี่ยที่มาเรียนและปฏิบัติธรรมะพร้อมกับโพธจิจาน์ดังที่เราทุกๆท่านบำเพ็ญอยู่ด้วยความเต็มบกเต็มใจและมีความเพียรอย่างยิ่งในเวลาเช่นนี้ก็เพื่อจะให้รู้ร่องรอยความเคลื่อนไหวผิดถูกดีชั่วของตัวเองตลอดถึงผลคือสุขทุกขที่แสดงขึ้นมาจากตัวเหตุแห่งความเคลื่อนไหวของใจได้อย่างชัดเจน ตองอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่มีเครื่องพิสูจน์ใดจะสามารถอาบเอื้องเห็นสิ่งที่ลึกลับปิดปังตัวเหตุสาคัญของเราให้เปิดเผยขึ้นมาหน้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของเยี่ยมยอดประเสริฐสุดเมื่อได้เข้าถึงใจของท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ประสบสุดเช่นอียกันธรรมะเป็นธรรมชาติที่สามารถอย่างยี้และเป็นคู่ควรแต่จิตใจ มนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคืท่านนั่งบวนและปฏิบัติซึ่งเตรียมพร้อมอู่แล้วที่จะนำมาสอดส่องมองดูความลี้ลับแห่งอกกับกิริยาของจิตซึ่งแสดงออกจากจิตอยู่ตลอดเวลาให้เห็นชัด ทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ว่าจะเป็นส่วนใกล้หรือไกลของอดีตและอนาคตจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดของอดีตและที่จะเกิดใน อ, อนาคตต่อไป ให้รู้ชัดในหลักปัจจุบั น, นคำว่าความเกิดเกิดที่ปรากฏขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติแต่และภพละชาติจะเป็นกำเนิดเกิดเป็นสัตว์หรือบุคคลหรือเป็นอะไรประเภทใดก็ตามอันนั้นเป็นส่วนที่ยาก แต่แน่จะเป็นส่วนหยาบเราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราเคยเป็นมามากน้อยเท่าไหร่หรือเคยเป็นหรือไม่เราไม่มีทางจะตัดสินแน่แน่ใจตนเองอได้และความเกิดที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตทุกๆขณะ ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของความเกิดภายในจิตแยกขยายออกไปอีกเช่นเกิดความรักความชังความรักส่วนหยาบความชังส่วนหยาบความรักส่วนกลางความชังส่วนกลางความรักส่วนละเอียดชังส่วนละเอียดต่างๆเราก็ไม่มีทางจะทราบได้ ทั้งทงที่เกิดอยู่กับเราทุกๆขณะเมืม่อเป็นเนั้นเราควรจะชมตนได้ตนของตนหน้ที่ตรงไหนว่าเราเป็นผู้ฉลาดพูด ง, ง่ายๆก็คือเรานี่โง่ต่อเราเสียมากมา โง่ต่อเราเจนไม่มีทางจะต่อสู้ความโง่ของตนเองให้หลุดลุยลงไปได้เที่ยงกำกาลังของเราวิชาความรู้ความพิศอ่านของเราทุกแข น, น ไม่มีส่วนใดจะสามารถกําจัดสิ่งที่กล่าวมานี้ให้หมดไปได้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างเยี่ยมที่จะเข้ามากําจัดเป็นเครื่องมือแก้ไข โดยมีความเพียรซึ่งเป็นกำลังของเราเข้าสนับสนุนอาศัยหลักธรรมะของพระโพธเก้าเป็นเครื่องมือแก้ไขดัดแปลงเข้าไปสติปัญญาเป็นธรรมะสำคัญและเป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมสอดส่องมองดูความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกอยู่ทุกระยะระยะทั้งที่เป็น ฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายรักฝ่ายชังทั้งที่เป็นส่วนอยากส่วนกลางส่วนใดชตติกับปัญญานี่จะสามารถฉลาดรอบตูวทันกับสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในตนไดน้จากท่านผู้มีความเพียงไม่ลดละคำว่าเรื่องพบเรื่องชาก จะเป็นชาติที่ยากและอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ต่างจะเป็นพบชาติที่ละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายในจิตใจที่อยู่ในฐานะอันหยากและละเอียดก็ต่างที่มีความละเอียดยิ่งซึ่งแสดงอยู่ภายในจิต ของผู้มีความเพียรและกำจัดที่ลเอ็ยดอย่างหยาบอย่างกลางเมืไปแล้วแต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งยังไม่รู้ก็าตกามก็สามารถจะรู้ได้ด้วยอนนานาจของสติและปัญญานนโดยจะพ้นไปไหมเรื่องอนาคตก็ไม่เป็นปัญหา เมื่อแก้ปัจจุบันคือเรื่องของจิตที่เป็นอยู่ทุกๆขณะนี้ให้รู้เรื่องของกันและประเภทของกิเลสที่แสดงตัวออกเป็นพบเป็นชากทุกๆขณะนี้ให้หมดไปจากใจได้ด้วยอำนาจของสติและปัญญามีความเพียรปีตึงส น, นับสนุน โลกหน้าที่ยังไม่มาถึงก็ดีโลกหลังที่ผ่านมาแล้วกว็ดีหรือว่าพบหน้าพบหลังก็ดีเมื่อพบปัจจุบันได้ถูกทานายลงแล้วด้วยอำนาจของความเพียรไม่มีเชื่อที่จะต่อไปเป็นพบหน้าและย้อนต่อมาเป็นพบหลังอีกต่อไป ก็จะยุติตรงกันวมได้เรื่องของปัญหาที่ว่าเกิดเกิดตายตายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตและเป็นเรื่องลึกลับทั้งท่านทั้งเราทั่วไปทั้งโลกตะก็จะประกาศขึ้นภายในจิตใจของท่านพูดได้ชัยชนะ กับอมของภพของชาติซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งได้ถูกทำลายไปแล้วด้วยความเพียรผู้นี้แหลชื่อว่าผู้ทำลายภพชาชื่อว่าผู้ทำลายความทุกข์ความลำบากความกลงังวล ความยิ่งเยินทุกทุกประเภทออกได้การหมุนเย็นเปลี่ยนแปลงเป็นทุกเป็นชาติเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกซ้ำซ้ำสักสันี่เป็นหน้าลำคาญอย่างยิ่งไม่ควรจะมาตกอยู่ในพมามะอย่างบุคคล ผู้รำคาญเช่นอย่างเราเป็นอยู่ณขณอนี้การแก้ปัญหาความรำคาญที่เป็นอยู่ทุกๆขณะนี้ต้องแกด้ด้วยความเขียนไม่ท้อถอยแก้เพื่อชัยชนะสำหรับเราเองไม่ได้แก้เพื่อผู้หนึ่งผู้ใด กำลังของเรามีมากน้อยทำลงไปเพื่อเราไม่สูญเสียไปไหนไม่มีใครมาแบ่งแยกเอาไปพอจะให้เสียผลประโยชน์ที่ตนทําแล้วไม่คุ้มค่าปฏิปทาทุกด้านที่เราทุ่มเทกำลังลงไปไม่มีอะไรจะสูญเสียไปเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะเป็นปฏิปทาของเราดุลเดือน แล้วปรากฏผลขึ้นมาอย่างภาคภาคูมิใจนั้นกินไม่ควรท้อถอยความความเพียรเพื่อตัวของเราเองจากทุกยากลำบากบ้างให้ถือว่าการทำงานย่อมเป็นธรรมนาของการบาเพ็ญเพียรจะมีความทุกยากลำบากบ้างผลที่เราต้องการคือความสุกนั้นคอยต้อนรับ ท่านผู้มีปฏิปทาอันเข้มแข็งมีตลอดเวลาความยุติลงแห่งความยุ่งเยิงวุ่นวายตั้มๆสักๆดังที่กล่าวผ่านมาแล้วก็จะหมดไปจากท่านผู้มีความเพียรกล้าสามารถแลวรู้รอบพรอบในเรื่องของตนคือจิตใจ ฝัดใจที่จะตอบพบต่อชาติต่อความยุ่งเหยิงต่อไปข้างหน้าจะยุติยงหน้าในจิตที่รู้ตนเองและทำลายปมแห่งพบขอ่งชาติออกหน้าโดยอำนาจของสีสมาธิปัญญา ในอิยบททั้งสีจะไม่ปรากฏว่าอิยาบทใดเป็นที่ขัดข้องสำหรับท่านผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ขณะของจิตที่คิดออกแต่ลขณะขณะจะไม่มีขณะจิตใดเป็นข่าสึกต่อจิตที่หมดพยศต่อตนเองเนรูปเสียงกงลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นค่าสึกมาแต่ดั้งเดิม พอจะกลายเป็นของจริงประตำตามกันไม่ปรากฏสิ่งใดจะเข้ามาเป็นภาพติดต่อใจได้อีกแล้นี่ชื่อว่าเป็นผู้หมดห้าสิบสิ่งที่เคยว่าเป็นถือว่าเป็นภาพติดก็กลายเป็นความจริงไปเสียรหรือจะเรียกว่าเป็นนิตรเป็นจำอหายถาดขันของเราก็สมมุติสิ่งภายนอกก็สมมติสมมุติมมตอยู่ด้วยกันไม่ขัดข้องถ้าใจไม่ มีเรื่องขัดข้องต่อตนเองเลยมีเท่านี้เรื่องดับทุกข์ดับที่ตรงรู้เรื่องของโลกของธรรมก็รู้ที่จุดมีเท่านั้นไม่มีจุดตายซึ่งจะเป็นที่ที่รู้อย่างแน่นอนและอย่างแม่นยาการแก้ทุกข์ไม่มีที่คงไหนจะแก้เป็นที่แม่นยาและเสร็จขาตลงไปได้ให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง นอกจากจะกแก้ลงที่จุดซึ่งมีทุกข์อยู่ประจำตลอดเวลาคือดวงใจดวงนี้อันเป็นสถานที่ผิด ค, คือสมุทยัยนี่เป็นที่ยุติเรื่องทุกข์ทั้งหลายเป็นที่ยุติเรื่องพบเรื่องาตาการเกิดแก่เจ็บตายทั้งภายนอกและภายใน ทั้งอดีแตและอนาคตปรากฏแต่ความมืดสุดล้วนร้วนอยู่ภายในใจมีคือผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพทุทธเจ้าเรียกว่าสันทิโกเห็นขึ้นเองอรกักอาการนิโกมีอยู่ตลอดเวลาใจดวงนี้นอกอยากเราจะมองข้ามไปเสียเท่านั้น ตลอดกับตลอดกันก็จะไปเห็นความจริงแน่นจะมีอยู่ก็ต า, ามคาว่าปัจจังเวทิสโบริญยินเราจะไปให้ท่านผู้ใดามาเป็นท่านผู้รู้ท่านผู้ใดเป็นท่านผู้รู้ท่านผู้นั้นก็เห็นโดยลำพังท่านเองถ้าเรายังหลงอยู่โง่อยู่เราก็ไม่สามารถจะรู้โดยตัวเองได ฉะนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติตนให้มีความเฉลียวฉลาดจะสามารถรู้ตนเองได้ดังทำท่านตรัสไว้ว่าเวริตบมินูรุปปจ ต, ตังเวริตโบมินูนี่ให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ถ้าเราจะเป็นลูกทะถาคตริย์และเป็นที่ชมเชยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นปรมศาสดาของห อย่าให้มีนาพระนามเพียงมากพระพุทธเจ้านั้นท่านประเสริฐแต่เรานี่เหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่าให้เป็นทา น, นองนเราเป็นสิทธิ์ที่มีครูตถาคตคือครูอันเอกของหลักพระองค์ดำเนินอย่างไรไม่ต้องกลัวตายตายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรเป็นที่เสียหาย เัืงไหว้่วนมาอย่างดีเยี่ยมไวดรวดและเป็นที่ภูมิใจของเราผู้ตายด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าในหลักปฏิปทาอันเข้มแข็งด้วยท่า น, นโปรดอย่าลืมทรมาทนี้นำไปบูชาพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติคำจัดยีเดชภายในยใจทุก อ, อย่างใ่ท่อถอยให้มีความเข้มแข็งภายในจิตใจเสมอสมักที่กล่า ว, ว่า ชันทิติโกวก็ดีเขาจะเป็นเมริตโบวินดูหิ้ก็ดีนี่จะเป็นท่านผู้มีความเข้มแข็งรอบคอบต่อการปฏิบัติของตนตามหลักธรรมของพุทพศนาจะเป็นผู้สม่งมาแนวสามถึงธรรมพร้อม ดุจยานุภาพใน อ, องค์ชั้นเดชก็เพิ่มจากพร้อมทั้งแต่ทำไปถึงจงตามพุ่มครอง ท, งทงนันทันหน่อนปฏิบัติบาเพ็ญเป็นปติกำลังความสำเร็โดยแต่รูจักว่าจากอันตรายในงานจิตฝันไม่มีแต่ความสุขความสะดวกสมายในปฏิปทาที่ดาเนึ่งไ่ทั่วทัง้งเจ้